ใช้กัญชาหรือ LSD จะบรรลุธรรมเร็วขึ้นไหมถามอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าใช้ยาพวกกัญชาหรือ LSD แล้วจะช่วยให้บรรลุธรรมง่ายขึ้นเพราะหูตาจะกว้างขวางขึ้นเห็นความเคลื่อนไหวช้าลงซึ่งก็แปลว่าสติดีกว่าปกติ อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับตอบองค์ประกอบหนึ่งของการบรรลุธรรมคือการมีสติสัมปชัญญะรู้เห็นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มชัดเช่นเท่าทันว่ากําลังหายใจเข้าหรือออกกําลังนั่งหรือยืนกําลังรู้สึกสบายหรืออึดอัดกําลังมีจิตสงบประณีตหรือสงบหยับๆยา กับทั้งมีความสว่างด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่าอาการต่างๆทางกายและทางใจนั้นล้นแล้วแต่ไม่เที่ยงมีเหตุให้เกิดแล้วต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนการเสพยาบางประเภทแม้ทำให้หูตาเปิดกว้างเกิดประสบการณ์รู้สึกตัวชัดกว่าปกติได้จริงๆแต่ขณะนั้นฤทธิ์ยาจะปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศล มีโมหะห่อหุ้มหนาแน่นแม้มีปิติสมนัสเบาตัวดุดนกและเห็นกายเหมือนหุ่นกระบอกไร้ตัวตนก็ไม่อาจเกิดปัญญาบรรลุธรรมด้วยอากุศลจิตชนิดนั้นได้เรื่องนี้พูดยากครับคุณต้องอ่านจิตคนออกแล้วเอาคนสองคนมานั่งคู่กันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างคนกำลังตกอยู่ในการครอบงำของริษยา กับคนกำลังเจเริญสติได้สมบูรณ์แบบมันเป็นคนละเรื่องกันเลยคนใช้ยาแม้จิตจะใหญ่ขึ้นหูตากว้างขวางเกิดประสบการรู้เห็นละเอียดละอกับทั้งรู้สึกสุกเกษมเปรมปรีเบาสบายคล้ายลอยได้เหมือนปุยนุ่นไร้น้ำหนักแต่ก็มีความหยาดเยิมเคลิ้มหลงไม่เป็นตัวของตัวเองสติที่เกิดขึ้นเป็นมิจฉาสติ จากระบบประสาทขยายตัวหาใช่สัมมาสติอันเกิดจากการทำกรรมฐานอย่างถูกต้องไม่ตอนยากำลังออกฤทธิ์นะครับถ้าต้องตายขึ้นมากระทานหันเดียวนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตจะบิดเบี้ยวเลอะเลือนไปความสว่างสวัยกลายเป็นขุนมัวของสวยของงามกลายเป็นของน่ากลัวคล้ายคนที่ขโมยของสำเร็จ รู้สึกตื่นเต้นยินดีปู่ตากว้างขวางเต็มเตื่นชั่วครู่แต่พอล้มตัวลงนอนก็จะรู้สึกพล่าเลือนฝันร้ายวุ่นวายสับสนและทุกข์แน่นอึดอัดเต็มอกตื่นขึ้นมาก็หว่นไหวใช้ชีวิตแบบแฝงความกลัวติดใจไปตลอดธรรมชาติของคนใช้ยาก็เช่นนั้นเมื่อหมดฤทธิ์ยา จะมีความสั่นไหวอยู่ข้างในและอยู่ในภาวะต้องพึ่งพาไม่เป็นตัวของตัวเองพูดง่ายๆคือจิตที่แท้จริงหาสติหาความเป็นกุศลไม่ได้จิตปลอมๆตอนถูกตกแต่งด้วยฤทธิยาเท่านั้นที่ทำให้สำคัญผิดคิดว่าตนมีสติดีขึ้นมีสิทธิ์บรรลุธรรมง่ายขึ้นสรุปคือถ้าตายตอนเมายาก็มีสิทธิ์ลงอบายมากกว่ายางอื่น อย่างเบาไปเป็นเปรตอย่างกลางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานและอย่างหนักคือไปเป็นสัตว์นรกส่วนธรรมชาติของคนที่เจริญสติพึ่งตนเองเป็นตัวของตัวเองเป็นจิตของเขาเองขนาดแท้เขาจะโปร่งเบาสบายกายสบายใจตลอดวันตลอดคืนโดยไม่ต้องอาศัยยาใดๆช่วยถ้าเจริญสติจนมีกำลังปัญญาอิ่มตัว ก็เกิดธรรมชาติล้างผ่านกิเลสได้จริงๆหรือแม้เมื่อยังไม่ถึงเวลาบรรลุธรรมต้องตายด้วยอุบัติเหตุปัจจุบันทันด่วนจิตแท้ๆที่ไม่พึ่งยาของเขาก็จะรวมลงสว่างหนักแน่นขั้นต่ำไปสวรรค์ขั้นกลางไปพระมโลกและขั้นสูงสุดคือไปนิพพานครับหวังว่าคงเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจน